อืมเป็นที่น่ายินดีมีศรัทธาจากๆแห่งๆไกลๆก็ไม่ก็สามารถ ในเกื้ออุปัฏฐะบริษัท และก็ส่งความตั้งใจของเราที่สุขโตก็ ก็ดี พบเห็นเกิดการประจักษ์ 14 ค่ํา 8 ตรง 12 กรกฎาคมและก็ ถ้าถ้า 2600 ปีวันแล้วก็ 2600 ปีอาจจะเป็นวันนี้เป็นวันของพวกเราวัน 2600 ปี เราสําผัดได้ในวันนี้ หลวงพ่อก็ได้ตามร่องรอยดูจาก ก็ทําอะไรที่ เกิดสุขใจของผู้ที่ได้สําเร็จตัณใหญ่ในการ ข้าคิดถึงปัญจวัคคีย์ที่ เกิดตามหาพระปัจจเวคีซึ่งพอจะพูด 200 300 กิโลแต่วันนั้นหลวงพ่อ 3 ชั่วโมง พอไปเที่ยวเอาอาหารมาขาย 3 ชั่วโมงคนก็นั่งยิ้มกันตลอดไม่ เอ่อชาวอย่างหนุนใน โปรดกล่าวทําใจนั่นลําดับท่านเดินจากพุทธคยาไป อันใดก็ไม่ยอมนี้ไปพระเจ้าก็ ด้วยความเมตตาความเพียรพยายามแม้แต่ปัญจวัคคีย์จะโกรธเถียงกันนี้ต่อหน้าต่อ เมื่อมีอะไรที่จะทําไม่ท้อถอยก็คือตามไป ถ้ามันออกมากมายพอแล้วเราจะสนใจก็ไม่สนใจก็ไม่ต้องสงสัยสนใจอะไรท่านจะสงจะนั่งก็ให้ 7 วันกวนธยาภามนี่ทํานายเป็นลักษณะเดียวว่าพุทธเจ้าเผอมาปด เอาผ้าอัตระตะไปปูทีแรกนึกกันว่าจะ โลกคนจักรวัคีลูกของเราจะพูดอะไรให้ <c oughs> ปพเทศอันพวกนี้นะเล่าว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพูดถึง คนที่มีทุกข์คือคนไม่ทุกข์ทางคนที่มีความหลงครอบแคร่แน่น มันจะลงได้หรอเวลาทุกคุณก็มองถึงก็เป็นทุกมันจะทบได้ ของที่มันมีไว้ปลุกไปใช้ใส่คาวสังเกตถ้ามีจําเป็น ยังมีว่าคนพบผิดเราทําบรรนี่ระดับธรรมจักรกับพระพุทธเจ้านั้นสูงยัง แต่ถ้าหลงก็ยิ่งหายพอเข้ามาทีนี้แต่เราก็ยิ่งหาถาม เอาอย่างพระพุทธเจ้าตามรอยยุคคนบาดเอาอย่างเหล่าพระสาวก สมกับการปฏิบัติของเราการประชา ตัวที่เราจะมีความรู้สึกรู้สึกตัวนี้ที่ผ่านโอ้มันผ่านอะไรมาตัวที่จะ ความรู้สึกกลัวอยู่กับโรงใหม่กันความรู้สึกกลัวอยู่กับภาพเป็นอุ้ยสังขารๆ แต่ถ้าลูกเครื่องลูกต้องหลบก็จึงเป็นต้องทําโดยทาง ผู้กตเวทีเสริมให้กันตั้งท่าตั้งท่าที่จะ หลายคนที่เป็นพยาบาลมานี่ถ้ามีคนป่วยบ้างนะก็อีก 2 วันกลับ มันมีคนก็สามารถแก้ได้ด้วยเต็มพอขอให้เราอีกทํา มันทําเดื่อนี่ก็รู้ได้ผลไม่ต้อง 5 ปี 6 ปีปลูกพริก 3 เดือนปลูกผักปลูก 45 วัน แต่ว่าการปลุกกระตุ้นร่างกายเวลามัน <c oughs> <c oughs> ทำไว้กับการเดินจงกรมก้าวทำไว้กับลมหายใจเข้าปริบทตัวเล็กๆน้อยๆติดตามคือน้ํา หว่าซื้อเราจะมาเห็นๆทางกายก็เห็นได้เท่านั้นทางใจพอเห็นได้เท่านั้นคน คนรู้สึกตัวพอยังจะทำให้ก็คือคนรู้สึกตัวใครมีวันนั้นอยู่กับตายก็ ฟังโดยพระตาใครรู้ก็เป็นของตัวท่านท่านใครรู้สงฆ์ก็ได้ความรู้เขารู้เขาก็พูดให้ฟังพูดยัง <ม. S 1> มันก็ลูกชายครับนะจําได้เออนี่ๆอย่างนี้เอออย่าไปเข้าห้องพ่อคือคํานะ นี่เป็นคำพูดที่ไปประสบกับพวกเราให้แต่ ก็จะเป็นภาพเป็นวิทยาศาสตร์ก็เป็นวิทยาภาพมันนะท่านที่ ไปรูปไปนอนฟังหลวงพ่อเทศสม 3 ชั่วโมงแต่ถ้าเรามายกขึ้นมา กับความ เนี่ยแต่ตามภพเผิมภพเผิมทุกข์เผิมการภพเผิมมันอยู่ใกล้ๆเนาะแต่การคิด <laughs> ไปเนี่ยเจ็บครับไปเทศน์ 2 3 ชั่วโมงออกเวลาคุณมอแสดงธรรมที่ปฏิสันติธรรม ก็ก็ทําได้เลยแล้วถ้าเป็นโผเป็นเนี่ยก็เป็นเพื่อน เอาล่ะก็คือโค้ชทั้งหลายสร้างคนละทําโดยการดูทุกในเล็กทั้งโต นึกใส่ไก่พอยังไงที่ 10 ตัวอ่านดู 10 ตัวก็ลองก็หมอกเข็มให้เป็นประทังอัน อืมพอพอถึงปอนแก่เวลานั้นก็ก็เกิด am tam ma sampatho kato ha to vata am tam paranto na bhavate to